สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิรษฐพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่31ซึ่งเป็นบทสุดท้ายนะครับข้อ19จนถึงข้อที่ยครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปัน่นเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะเขาสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า พี่นครับเพราะวาจะนะพระเจ้าในตอนนี้เริ่มต้นที่ข้อท9นะครับข้อที่19บอกว่าเธอยื่นมือออกจับในในในที่นี้หมายถึงไม้ยาวสำหรับพันขนแกะดิบเมื่อเวลากรอจะกรอเข้าไปอยู่พันรอบในแล้วก็ในการทอผ้าครับก็จะมีกระสวยกระสวยนั่นก็เป็นด้ามที่เครื่องปั่น ฝ่ายตวัดระหว่างนิ้วมือของผู้หญิงที่เป็นผู้ที่กำลังทอนิ้วมือของเธอจะต้องยกขึ้นมายกขนขขนแกะที่ปั่นแล้วขึ้นมาแล้วก็จะต้องพุ่งกระสวยไประหว่างนั้นนั่นคือความเชี่ยวชาญครับความเชี่ยวชาญความชํานาญการของผู้หญิงซึ่งเป็นสีภรยาเป็นผู้หญิงสุดยอดมีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญใน ด้านการผลิตของครอบครัวต่อไปครับข้อที่20จนถึงข้อที่24เราจะพบ5ด้านด้วยกันซึ่งเป็นความเก่งกาจของสีภรรยาคนนี้สแสดงให้เห็นถึงชีวิตของเธอที่เกิดผลมากและมีการทวีคูณของผลจากความที่ผู้หญิงสีภรรยาคนนี้ได้เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นภรรยาที่ประเสริฐ ประเสริญยิ่งกว่าเพชรนินจินดาทุกอย่างและจะทำให้ครอบครัวของเธอนั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดความตั้งใจแรงจูงใจและท่าทีเช่นนี้เป็นท่าทีของหญิงที่รักพระเจ้าเป็นท่าทีของหญิงที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของตัวเองห้าด้านนี้ก็คือผู้ที่จะได้รับสิ่งดีที่เกิดจากชีวิตของผู้หญิงคนนี้อย่างแรกครับก็คือบรรดาคนยากจนทั้งหลายคนขัดสน ทั้งหลายคนที่มีความต้องการอยู่ในข้อที่20ครับเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนสีภรรยาคนนี้หรือเป็นคุณแม่ที่สุดยอดเป็นคนที่ใจดีครับความใจดีนั้นตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวจริงอยู่ครับเขาได้มีความสนใจเขาได้วางลำดับความสำคัญก็คือครอบครัวมาก่อน แต่เมื่อครอบครัวของเธอเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เธอทำก็คือหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้กับคนที่มีความต้องการหยิบยืน่นความรักน้ำใจให้กับคนที่ยากจนยื่นมือออกไปช่วยอบอุ่มคนที่ขัดสนคนที่ด้อยโอกาสนี่คือประการแรกครับของชีวิตที่เกิดผลทวีคูณประการที่สองครับเธอไม่กลัวหิมะมาทาอันตรายแต่คนในคครัวเรือนของเธออันนั้นอยู่ในข้อที่21 นั่นหมายความว่าเธอมีเซนส์หรือมอีความรู้สึกที่มองไปข้างหน้าและมีความรู้สึกในการที่เธอจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่ว่าป้องกันไม่ให้ครอบครัวของเธอนั้นหนาวเมื่อยามหิมะตกเธอไม่กลัวหิมะที่จะมาทําอันตรายแต่คนในครัวเรือนของเธอเพราะว่าเธอได้เตรียมพร้อมครับเธอได้วางแผนล่วงหน้าในการที่จะทาเสื้อสองชั้น เสื้อสองชั้นนั้นในภาษาอังกฤษเรียกว่า scarlet นะครับก็คือเสื้อหนาวนั่นเองความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากเสื้อ2ชั้นเป็นความอบอุ่นที่เกิดจากความรักและเ ก, เกิดจากความฉเฉลียวฉลาดเกิดจากการที่เขาสามารถที่จะ preventive ก็คือว่าเขาป้องกันอันตรายไว้ก่อนเขาป้องกันไว้ก่อนเขาป้องกันไว้ล่วงหน้านี่คือลักษณะประการที่2ครับประการที่3ามครับ ก็คือตัวเองเธอเป็นหญิงที่ประณีตบรรจงเป็นหญิงที่งดงามงดงามและเต็มไปด้วยศิละปะเพราะในข้อที่22ได้บอกว่าเธอทำผ้าปูสําหรับเธอเสื้อผ้าของเธอก็ทําด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงนั่นเราจะเห็นว่าเธอกําลังดูแลตัวเองอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อเธอดูแลตัวเองอย่างดีครอบครัวของเธอจะได้รับการดูแลอย่างดีด้วย นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าเธอดูแลตัวเองหลังครับเธอดูแลคนยากจนก่อนเธอดูแลครอบครัวของเธอก่อนและเธอดูแลตัวเองต่อมาตามมาในข้อยีบสครับได้พูดถึงสามีของเธอสามีของเธอนั่นก็เป็นที่รู้จักกันดีที่ประตูเมืองนั่นหมายความว่าครอบครัวของเธอนั่นเป็นครอบครัวที่สูงครับเป็นครอบครัวที่อยู่แนวหน้าทีเดียวเราจะพบว่าตลอดชีวิตของ สามีนะครับที่ได้ภรรยาได้เธอไปเป็นภรรยานั้นทําให้สามีนั้นรุ่งเรืองชีวิตของเธอนั้นส่งเสริมสามีครับเมื่อสามีของเธอนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินสามีของเธอนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องสูงเพราะเหตุที่ว่าไม่มีชายใดที่ประสบความสําเร็จโดยปราศจากภรรยาที่ดี นั่นหมายความว่าภรรยาที่ดีนั้นเป็นกําลังสําคัญเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของชุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าภรรยาที่ดีนั้นก็เป็นมงกุฎของสามีของตนนั่นหมายความว่าถ้าสามีสวมมงกุฎสามีก็จะมีสง่าราศีสามีก็จะมีเกียรติยศและเพิ่มพูนศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะเนื่องจากการกระทำของภรรยาของสามีคนนั้นพี่น้องครับ เมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นหมายความว่าภรรยาคนนี้นั้นเป็นคนที่เสริมสร้างสามีเป็นคนที่ยกย่องสามีเป็นคนที่ให้เกียรติสามีเป็นคนที่นําความเคารพนับถือยําเกรงของคนอื่นๆมายังสามีังกลับกันครับประโยคนี้ก็มีความหมายว่าเธอจะไม่ทําความอับอายหรือนําความอับอายมาสู่สามีของตนทําให้สามีของเธอนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดี มีเรฟูเทชันที่ดีและก็สร้างคุณงามความดีให้กับสามีของตัวเองด้วยนั่นคือประการที่4ครับต่อไปเราจะมาดูในประการที่5ครับก็คือว่าเธอนั้นมีชีวิตที่ทวีคูณทวีคูณในการเกิดผลมากพี่น้องครับประการสุดท้ายก็คือเธอมีของดีขายครับของดีของเธอก็คือเป็นเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้าลินิน และผ้าคาดเอวให้กับลูกค้าของเธอนั่นหมายความว่าเธอเป็นที่วางใจได้ของลูกค้าเธอมีเครดิตครับเพราะว่าสินค้าของเธอนั้นดีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่ทําให้ลูกค้าไว้วางใจได้พี่น้องครับผู้หญิงหรือภรรยาแบบนี้หายากใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ทรงวางให้ลูกๆของพระองค์โดยเพ้อยยิ่งอนุชนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับ หากว่าท่านจะหาภรรยาก็ขอพระเจ้าที่จะประทานภรรยาที่ดีด้วยการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าครับและผมอยากจะปิดท้ายในวันนี้ก็คือภรรยาที่ดีนั่นจะต้องมาจากพระเจ้าและเป็นบุตรลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกันกับพวกเราขอพระเจ้าอวยพ ร, พรทุกท่านครับในการที่เราจะอธิษฐานเพื่อลูกหลานของเราที่จะมีภรรยาที่ดีหรือสามีที่ดีในเวลาเดียวกันพี่น้องที่เป็นอนุชนเยาวชน ต้องอธิษฐานเผื่อสำหรับคู่ครองของตัวเองในอนาคตด้วยเพื่อที่เราจะมีคู่สมรสหรือคู่ครองที่ดีต่อไปอย่ารีบชิงสุกก่อนหำอย่ารีบต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับต้องเลือกแม่ที่ดีให้กับลูกของเราเช่นเดียวกันหรือเลือกคุณพ่อที่ดีให้กับลูกของเราเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน